ข้อที่ก้ารักประชาชนตอนหนึ่งที่พระองค์ท่านรับสั่งให้ผมไปจดมูลนิธิชัยพัฒนาผมไปที่สาราว่าการกรุงเทพมหานครเองเราไม่อยากใช้อภิสิทธ์อะไรทั้งสิน้นเพราะยิ่งอยู่ใกล้เจ้านายยิ่งต้องทำตัวให้ธรรมดาตามรอยเบื้องพระยุ ค, ค ล, ลบาตก็ไปแจ้งเหมือนบุคคลธรรมดาทั่วไป ก็มีเจ้าหน้าที่ของกอทมเข้ามาสอบสวนถามบอกทำไมนายกไม่มาเองผมก็บอกนายกงานเยอะมาไม่ได้เลยมอบฉันทะมาบ้านอยู่อำเภออะไรบอกอยู่อำเภอดุสิตบ้านเลขที่เท่าไหร่ไม่รู้เขาก็เออะไรบ้านไม่มีหลักแหล่งแล้วมาตั้งมูลนิธิได้อย่างไรสอบสวนไล่ผมต่อไล่ไปเรื่อยทำอาชีพอะไร ก็บอกไม่รู้จริงๆว่าอาชีพอะไรแต่เห็นทำหลายอย่างก็ต่อไปอย่างนั้นเจ้าหน้าที่เขาก็บอกอะไรบ้านก็ไม่มีเป็นหลักแหล่งอาชีพก็ไม่มีแล้วตาก็เหลือไปเรื่อยจนกระทั่งไปเห็นชื่อผู้ยื่นจริงๆและผมเป็นแค่ตัวแทนเท่านั้นของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมอบอำนาจมาอุ้ยอย่าให้ท่านมานะมายุ่งตายเลยขออย่ามาเลย จัดการให้เสร็จค่าจดทะเบียน30บาทขอบริจาคเป็นคนแรกได้ไหมแล้วตกลงวันนั้นฟรี30บาทแกควักออกมาด้วยความตกอกตกใจมากเลยก็กลับมากราบบังคมทูลนี่พอเขาถามว่าอาชีพอะไรค้าพระพุทธเจ้าตอบไม่ได้พระองค์ท่านตอบว่าคราวหลังถ้าเขาถามว่าฉันทำอาชีพอะไร ให้ตอบว่าทำราชการผมเล่าตรงนี้เพื่อมาสู่พวกเราขณะที่พระองค์ท่านทำราชการพวกเราเนี่ยทำอะไรรับราชการใช่หรือเปล่ารับจากพระองค์มาเพื่อทำต่อพระองค์ท่านทรงรักประชาชนทำงานเพื่อประชาชน คนที่รับราชการถือว่ารับงานของราชามาทําต่อสิ่งแรกที่ต้องทําคือต้องรักประชาชนทำงานเพื่อประชาชนเรารับราชการเราต้องรักผู้มารับบริการถ้าเราขาดความรักตรงนี้รู้รักสามัคคีก็มีคำว่ารักอยู่ด้วยถ้าเราไม่มีจิตสานึกอันนี้ป่วยการ เราเป็นข้าราชการที่ดีไม่ได้หรอกประชาชนมาถึงหน้าเคาน์เตอร์เห็นหน้าเราก็หงิกไปแล้วโธ่เขากลัวเราอยู่แล้วสถานที่ราชการใครก็ตัวสัน่นไปเจอการต้อนรับที่แย่รีบกลับไปเลยจะพึ่งใครได้ว้าเวแค่ไหนปิยะวาจารักประชาชนก็แสดงออกทั้งกายวาจาใจทั้งหมด และบุญกุศลเนี่ยมีจริงเชื่อผมสิพระพุทธเจ้าสอนว่าปลูกต้นมะม่วงแล้วได้ลูกมะม่วงไม่ใช่ปลูกมะม่วงแล้วได้ทุเรียนไม่ใช่คุณปลูกความดีคุณได้ความรักกลับมาแน่นอนที่สุดภาษาฝรั่งก็มีสุภาษิตนี้มีกิฟมีเทคถ้าอยู่กิฟและอยู่ก็เทค อยากให้เขาด่าเราก็เดินไปด่าแม่เขาก่อนเดี๋ยวเขาก็ด่ากลับมาง่ายที่สุดถ้าผมเดินไปข้างล่างยกมือไหว้ใครสักคนคุณก็ยกมือไหว้ผมตอบแน่นอนที่สุดเลยไม่ใช่ยกมือไหว้เสร็จไอ้บ้าไหว้ฉันทำไมอันนั้นคุณก็บ้าแล้วเพราะฉะนั้นการรักประชาชนนั้นผมคิดว่าเป็นหัวใจ การเอื้อเฟื้อซึ่งกันและกันพระเจ้าอยู่หัวรับสั่งว่ารู้ไหมบ้านเมืองอยู่รอดมาได้ทุกวันนี้เพราะอะไรเพราะคนไทยเรายังให้กันอยู่คำสั้นๆคำเดียวเรายังให้กันอยู่คนในครอบครัวยังช่วยเหลือซึ่งกันและกันอยู่ คนในชุมชนยังเอื้อกันอยู่ข้าราชการยังให้บริการแก่ประชาชนเวลาเกิดทุกข์ยากที่ไหนทุกคนยังรวมตัวกันช่วยเหลือซึ่งกันและกันอยู่อันนี้เป็นสังคมที่หาไม่ได้ในโลกฝรั่งแม้กระทั่งคนในครอบครัวก็ตัวใครตัวมันไม่มีหรอกที่จะไปนั่งช่วยกันตกเย็นมาเฮ้ย hey, ขอกินข้าวด้วยสักมือ้อ ไม่ได้หรอกตัวใครตัวมันทั้งนั้นอย่างเมืองไทยเนี่ยไปถึงจะเอาอะไรก็ได้เดินเข้าไปที่ไหนก็มีข้าวกินแล้วนี่อย่าไปหาที่ไหนเลยครับความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่นั้นเป็นคุณสมบัติของเราที่จะต้องมี ผมสั่งเจ้าหน้าที่ในสำนักงานของผมเสมอว่าเวลาใครเข้ามาติดต่อกับเราเขาจะได้หรือไม่ได้อะไรจากเราแต่หลักอย่างหนึ่งที่เขาจะได้คือเขาจะต้องเดินยิ้มออกไปจากสำนักงานของเราถึงแม้เราจะปฏิเสธเขาไม่ให้เขาก็ให้เขาเดินยิ้มออกไปไม่ต้องไปด่าทอไม่ต้องไปกระแนกระแนอะไรใดๆทั้งสิ้นมันก่อประโยชน์อะไรละ่ะ ฝึกซ้าให้ชินแล้วก็ทำได้นี่หละครับหลักสิบประการที่ทางกอพอได้รวบรวมไว้ลองนำสิบคำนี้เขียนใส่กระดาษท่องไว้เขียนตัวโตๆหน่อยวันจันทร์ก็เอาเสียบไว้อันหนึ่งวันอังคารเสียบไว้อีกอันหนึ่ง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 ตั้งแต่เล็กยังเคยได้ถามแม่ว่าบนขันฟ้าบ้านเรานั้นติดรูปใครที่แม่คอยบูชาประจำก่อนนอนทุกคืนจะต้องไหวแม่ตอบว่าให้กราบรูปนั้นทุกวัน นเป็นเทวดาที่มีลมหายใจที่เรายังพอมีกินอย่างวันนี้ท่านดูแลคนไทยมั น, นานเหลือกเกินให้จำไว้เป็นรูปที่มีทุกบา จงรู้ว่าจะใกล้ใกลเป็นรูปที่มีทุกบ้าด้วยความรักด้วยพักดีด้วยจิตใจ